ก็บวชตรวจเมื่อสักครู่นี้นะดีมากมากเลยครับเนี่ยบวชธรรมป่าหัางนะก็เหมาะมากสําหรับสําหรับนักบวชเนะี่ยหรือแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะี่ยที่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมจริงๆก็ก็เป็นบวชที่ที่เหมาะมากนะเพราะบางทีธรรมนะเนี่ยบางทีตอนที่เราเรียนนะ่ะ ก็ไม่ได้ว่ายากเกินความสามารถของมนุษย์เราหรอกนะแต่สิ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติไม่ถึงนะนะมันก็คือความขี้เกียจนะขี้เกียจขี้คลานนะหรือความย่อหย่อนนะไปกับกิเลสทั้งหลายที่จะจะดึงพานะให้ชีวิตจิตใจมันหลงทิศผิดทางไป บางทีคาราวะานะภาวนาแรกๆ ก, ก็ภาวนาไม่ยากนะแต่ภาวนาจะต่อเนื่องนะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานจริงๆก็ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าความต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่อาจจะทำยากนะหรือว่าสิ่งที่เ ย, ยนนะื่อโยนให้ลงไหลน ะ, ะมันก็มีมากนะ ในชีวิตทางโลกแต่พวกเรามาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันเราก็ตัดสิ่งย่อยวนทางโลกออกไปได้เยอะเนะสินก็ดีนะข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็ดีเนะี่ยมันมันมีความหมายในตัวของมันเองอยู่มากนะเนี่ยการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเนะ่ะก็เพื่อ เอคล้ายๆมารักษาใจเนี่ยแหล ะ, ะเราอาจจะฝึกหัดที่กายวาจาให้เรียบร้อยจากศีลจากข้อวัดนะต่างๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการฝึกใจนะเหมือนคล้ายๆข่มกิเลสก่อนนะกิเลสแรกๆมันก็ยังละกิเลสไม่ได้แต่ศีลหรือข้อวัดต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันคือ ข่มไม่ให้กิเลสมันเจริญงอกงามเนาะอย่างการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยต่างเนี่ยมันก็คือเหมือนเราข่มกิเลสลงไปเนี่ยเรื่องจีวร น, นะเครื่องนุ่มหม่มนะก็เราก็ใช้เนี่ยเราก็มีเพียงแค่นี้เนาะไม่เหมือนคาราวาสบางทีเลือกซื้อชุดเลือกซื้อ เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะหลงไปกับแฟชั่นต่างๆแต่พอเราเป็นพระแล้วก็ไม่มีแฟชั่นน่ะมีแต่จนะีวรนชุดสามผืนนะนี่แหละนะอาหารนะบิณฑบาตนะอาหารถ้าเป็นฆราวาสก็เลือกกินตามใจชอบนะแต่พอเราเป็นพระแล้วก็นี่แหละมันก็ เขาถวายอะไรมาเราก็ทานอันนี้ก็เป็นการตัดกิเลสลงไปได้เยอะแล้วนะสิ่งที่จะไปเลือกหาทนะานตามใจปากมันก็น้อยลงนะเราก็จะเห็นกิเลสเองเยอะขึ้นมันอาจจะขมนะบางทีมันอยากได้กินร้อนนะก็ไม่ได้กินร้อนอยากได้กินเย็นก็ไม่ได้กินเย็นนะบางทีมันก็ ช่วยเราขมกิเลสรงไปได้เยอะที่อยู่อาศัยนะต่างๆแล้วก็ที่จริงมันมันอาจจะไม่มีความสะดวกมากแต่จริงมันสบายนะจำภายคือไม่ต้องมีภาระในการดูแลมากบนาะงคนคิดว่าบ้านหลังใหญ่หลังโตมีสิ่งของเยอะเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่พอเราเป็นนักบวชวเราจะเห็นว่ามีน้อยเนี่ยดีกว่านะมันไม่ต้องเหนื่อยในการรักษาอะไรต่างๆนะ่ะไม่ต้องดูแลตดมากมีเยอะกับต้องดูแลมากนะกลายเป็นห่วงเป็นภาระมากอยารักษาโรค ก, ก็ตามเหตุตามปัจจนะัยเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาละแต่บางทีก็บางคนสมัยนี้มัน เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมันกลายเป็นเรื่องมันไม่ใช่มันบางทีไม่ใช่แก้โรคนะแต่มันมันกลายเป็นเพื่อประดับตกแต่งบางอย่างนะมีวิตามินต่างๆมากมายมีมีคอสสุขภาพอะไรๆอย่างเพื่อให้ดูดีให้อะไรต่างๆนะแต่จริงเรื่องยาเนะี่ยมัน คือการรักษาโรคแต่อย่างที่เราได้สวยผมว่าพระเจ้าท่านท่านฝึกนะให้บัปพะชิตนะให้นักบวชจะต้องเข้มแข็งนะต้องเด็ดเดี่ยวนะแม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามนะตาบใดที่เรายังไม่บรรุนะทำนั้นนยะเราก็จะไม่หยุดความเพียรของเราเนะี่ยมันเป็น มันเป็นความเด็ดขาดมากนะความเด็ดขาดมากเคยฟังอาจารย์ปาโมทท่านเล่าให้ฟังตอนหนึ่งท่านเจอหลวงพ่อรูปหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นนะท่านก็ได้สนทนาธรรมต่นท่านยังเป็นพระระบายอยาอาจารย์ปาโมทว่าสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่า ตัวของท่านเองเน่ะเขายังไม่บรรลุทําอะไรเลยนะท่านก็ท่านหลวงปู่มั่นนะเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เป็นเพื่อนจะทํามิกด้วยกันหรือเป็นนุ่นพี่อะไรต่างๆก็อืมบรรลุทํากันหรือว่าได้ดีเป็นไปแทบจะหมดแล้วนะมีแต่ท่านนี่แหละยังไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านบอกว่าฮะแม้ท่านยังไม่ได้อะไรเลยนะแต่ท่านก็ จะทำความเพียรต่อไปนะให้ถึงที่สุดเลยนะในชาตินี้ชาตินี้ไม่ ไ, มได้ไเลยก็จะทำไปอีกเป็นร้อยชาตินะ่ะก็จะไม่หยุดความเพียร น, นะอืออาจารย์บางวันท่านก็เล่าประมาณอืมเนี่ยน่าศรัทธามากคือเมื่อทีความว่าศรัทธาไม่ใช่ว่าต้องคุณธรรมสูงอย่างนี้นนะแต่ความตั้งใจที่เด็ดเดียว เด็กษาของท่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าศรัทธามากแม้ท่านยังไม่บรรลุธรรมนะแต่ความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแก้วกล้ามากนะเนี่ยไม่หยุดความเพียรของตนทนะี่จริงมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะอย่างอย่างสมัยพุทธกาลพระที่ท่านบรรลุธรรมเร็วที่สุดนะ ท่านภาหิยะนะตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวช น, นะเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้าออกเดินเรือนะเออกลาจะไปค้าขายนะที่อีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าเรือล่มเรือก็จมนะคนในเรือก็ตายทั้งหมดท่านก็รอดชีวิตมาติดฝั่งมาแต่เสื้อผ้าก็หลุดดุวยไปหมดเลย ชาวบ้านริมหาดเห็นเห็นท่านนอนอยู่ริมฝั่งไม่มีเสื้อผ้านะบางคนก็คนก็เลยนับถือว่าท่านเป็นพระละหันนะคนก็คิดว่าการปล่อยวางก็คือการไม่มีอะไรเลยนะเสื้อแม่แต่เสื้อผ้าเลยก็ไม่มีนะคือพระละหันแล้วนะอาจจะเป็นพวกนับถือพวกราชชัยอะไรเนี้นะ่ะก็เลยคิดว่านี่คือพระละหันนะ่ะ ก็กราบไหว้บูชาเอาอาหารถวายท่านแต่ท่านก็เองก็สมยอมว่าจะเองเป็นอาหารจริงๆนะก็ได้มีลาบสักการะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นแต่ก็มีวันหนึ่งนะเขาบอกว่าเพื่อนของท่านที่เป็นเทวดานะก็คงเห็นแล้วก็ได้มาเตือนว่า ตัวท่านเองะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์จริงๆหรอกน ะ, นะแต่พระอาหารหันต์จริงๆ น, น, นู่นอยู่เชตวันนู่นพระพุทธเจ้าน่ท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงๆนะท่านพาหิยะตอนนั้นได้สติว่าโอ้เราจะมาอยู่แบบนี้มันไม่ได้ละต้องไปหาพระอาหารหันต์จริงๆละนะก็รู้ระยะทางไกลเท่าไหร่นะจากชายฝั่งทะเลนะจนถึง เชตวันนี่ก็คงไกลมากนะทั้งวิ่งทั้งเดินนะไม่รู้กี่วันกี่เดือนก่จะไปถึงเชตวันมหาวิหารไปถึงก็เพลนพระพุทธเจ้าท่านนะ่ะกระดังนั่นนาจะฉันอยู่นะพาหาิยะด้วยความร้อนนนะ่ะรีบร้อนมากก็รีบถามธรรมะพระพุทธเจ้าเลยนะ พระเจ้าก็ยังไม่ตอบนะยังไม่ไม่ตอบนะอืมเห็นภาริยะเหนื่อยอยู่นะก็เลยยังไม่ตอบก็บอกให้ให้นั่งพักก่อนนะให้ทานอาหารก่อนนะภาริยาก็ก็วนกระวายสองสารอบนะกว่าจะเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกเออให้นั่งพักให้ทานอาหารให้เรียบร้อยให้หายเหนื่อยให้ไม่หิวมากนะอืมพอ อันนี้คือเป็นกล ว, วิธีพระเจ้านะคือเตรียมความพร้อมของเข้ากันนบางคนแบบกระหายธรรมะมากเกินไปนะท่านก็เบรกลงนะเบรกออให้ให้เย็นลงมาสักหน่อยก่อนเหมือนคลายน้ําร้อนนะเราจะกินนะที่มันร้อนๆเลยไม่ได้นะต้องให้มันหายร้อนลงสักหน่อยก่อนให้เป็นน้ําอุ่นๆนะค่อยกินได้นะอืมบางทีใจร้อนเกินไปก็ไม่ได้นะ ใจร้อนเกินไปก็เสียของเหมือนกันใจมันกระวนกระวายนะหรือแม้แต่เรื่องร่างกายพระเจ้าก็ดูอบายนะบางทีร่างกายก็หิวมากมเขาเหนื่อยมากแสดงธรรมตอนนั้นมันก็ไม่ได้ผลนะเอก็ให้ร่างกายอิ่มขึ้นมาให้ได้พักให้หายเหนื่อยก่อนนะค่อยแสดงธรรมที่จริงการสอนธรรมะเนี่ยมันมันเป็น ติล ป, ปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันดูมันมีการะมีเทศะดูความพร้อมของแต่ละคนแต่ละขนาอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ค่อยเล่าต่อนะแต่ก็กลับมาเรื่องท่านพาหิยะเนะี่ยพอท่านพร้อมละพระเจ้าก็แสดงธรรมนะสั้นๆนะท่านก็บรรุทธรรมได้เลยนะแสดงธรรมว่าตาเห็นรูปนะก็สักแต่ว่าเห็น หได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินนจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นรับรสก็สักแต่ว่ารู้รสกายสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสจิตใจคิดนึกปรุงแต่งก็สักแต่ว่ามันคิดนึกปรุงแต่งเมื่อนั้นนะก็จะไม่มีเธอทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าคือพูด ง, ง่ายๆก็คือท่านสอนเรื่องสักแต่ว่านะสักแต่ว่า รู้เฉยๆเนะี่ยเป็นธรรมะที่ทําให้ท่านพาหิยะนะ่ะมันรู้ธรรมนะเป็นพระอรหันต์เดียวที่สุด <c oughs> แสดงธรรมแค่นเนี้นะเป็นเป็นพระอรหันต์เลยนะ <c oughs> ก็เลยขอบวชนะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้บวชนะพรเจ้าให้ไปหาบาทนหาจีวรก่อนท่านก็ไปหาบาทรหาจีวรในเมืองก็ก็กําลังได้บาตได้จีวรกลับมาจะกลับมาบวชนะ่ะ ก็วิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้นะก็ทําให้กลัวแม่ตกอ่อนนะหดตายนะแต่ก็ยังชื่อว่าได้เป็นพระเพราะว่าเป็นพระอรหันนะตั้งแต่เป็นคือยังไม่ได้บวชนะแต่เราก็ถือว่าเป็นพระนะโดยความบริสุทธิ์จริงๆนะจากการที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าประโยคสั้นๆนะนะั่นแหละพระ เ, เจ้าก็ยกรอมว่าเป็นผู้ที่บน ผู้ที่เรียกว่ามรรลุธรรมเร็วที่สุดนะในในสมัยพุทธกาลของท่านแต่จริงมันตรงเนี้ยถ้าจบแค่นี้เราก็บางทีบางคนก็คิดเนาะเหมือนเราเองผมเองก็เคยคิดแบบอทําไมเราเกิดไม่ทันสมัยพุทธกาลนะบางคนเข้าใจธรรมะง่ายนะแค่ฟังธรรมพระพุทธเจ้านะก็บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องไป ทำความเพียนอะไรให้ยุ่งยากเสียเวลามากเลยแต่จริงทุกคนมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะอย่างท่านพระพาหิยะเนี่ยในอดีตชาตินะท่านก็เคยเป็นนักบวชนะในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ในจำอาจจะจำชื่อไม่ได้นะอาจจะพระมหากักดิสปะพุทธเจ้าหรือเปล่าท่านก็เป็นพระนะเป็นนักบวชนะ ท่านก็ตั้งใจทําความเพียรมากเลยจนถึงขนาดว่ามีเพื่อนพระด้วยกันนะรวมกับท่านด้วยนะ่ะห้ารูปเนะี่ยตั้งใจเลยว่าเนี่ยมันมียอดเขานียอดหนึ่งมันสูงมากคล้ายๆเหมือนกับตึกเลยนะครับเนี่ยชวนกันไปภาวนาบนยอดเขาเลยนะก็ทําบันไดขึ้นไปยอดเขาพอไปถึงยอดเขาแล้วก็ทิ้งบันไดลงเลย เอาวันไหนออกคล้ายๆว่าขึ้นได้ลงไม่ได้อ่ะะจะทําความเพียรอยู่บนยอดเขานั้นทุกทุกท่านทั้งห้าห้าท่านนี่ก็ตั้งใจทําความเพียรมากจนกระทั่งวันแรกก็มีรูปหนึ่งบรรลุธรรมนะมก็มีอภินญะเหาะเห้นไปบิณฑบาตได้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเอาอาหารมาแบ่งให้เพื่อนเพื่อน ก็ไม่รับประทานไม่เอาไม่ฉันด้วยนบอกว่ามันเป็นของท่านรูปเดียวนะเราจะทําเองนวันที่สอก็มีอีกรูปหนึ่งมรรลุธรรมวันที่สามก็มีอีกรูปหนึ่งบรรลุธรรมวันที่สี่ก็มีอีกรูปหนึ่งบรรลุธรรมนะมีอภินญาเหมือนกันนะสี่รูปนั้นนะบรรลุธรรมแล้วก็มีอภินญาพร้อมแต่ท่านพระพาหิยะเนี่ยไม่เป็นรลุธรรมอะไรเลยนะ แต่ก็เด็กขาดว่าไม่เอาอาหารที่เพื่อนบินบาได้มามาฉันมารับประทานเองทำความเพียรบนยอดเขาจนทั้งอดอาหารตายเสียชีวิตตรงนั้นแหละคือมันแสดงให้เห็นว่าคือความเพียรที่ทำนะไม่ไสูญหายไปที่ไหนความเพียรในอดีตที่เคยสะสมมาเมื่ก็เป็นเหตุปัจจัยทาให้เมื่อนะ เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพเจ้าเพียงแค่สั้นๆนะท่านก็ให้ก็บรรลุธรรมได้แล้วคล้ายๆเหมือนบุงทีดอกไม้เู่นนะกว่าจะออกดอกเนี่ยมันก็อาศัยเวลานะใช่ไหมสมมติ ด, ดอกบัวนะสมมติเปรียบเทียบดอกบัวในสระน้ำอย่างสระน้ำวัดปากสุขกโตนะต ด, ดอกบัวมันก็นู่นมาจากตมนะนี ก็จะรอดจากเป็นอาหารเตา่าอาหารปลานะโผล่ขึ้นมาค่อยๆไตระดับจากโคนตมข้างล่างค่อยๆขึ้นมานะจนถึงนะผิวน้ำนะจนเกรนทั่งออกเป็นบัวตูมขึ้นมานะหลายวันนะหลายเดือนกว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์ถึงจะบานนะเป็นดอกบัวบานสวยงามขึ้น ก็อาศัยเวลาเหมือนกันแหละนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญมากคือความเพียนนะแต่ต้องเพียนแบบพอดีนะไม่ใช่ถ้าเพียนมากเกินไปมันจะเพียนนะมันจะบ้าเกินไปนะเพียนพอดีคือเพียนในองค์ในองค์มรรคเนี่ยละครับนะเพียนละอกุศลเพียนจะเดินกุศลนะ ความเพียนที่ดีต้องมีสติคอยกํากับนยเพราะว่าถ้ามีสติถ้าไม่มีสติกํากับเนี่ยมันจะเพียนได้ง่ายนะบางทีนักปฏิบัติธรรมหลายคนนะนที่ที่เขาว่ากันอะไรนะมาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยนไปเป็นบ้าหรือเพี้ยนไม่ปกติเพราะว่าขาดสตินี่แหละคอยกํากับหลงนะ พอเครียดมากมางทีก็หลงนะี่กลายเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนคนทางโลกอะ่ะเจอภาวะกดดันภาวะเครียดก็เป็นบ้าไปมันก็มีนะคนทำความเพียรกดดันตัวเองมากจนเป็นบ้าก็มีหรือบางที เ, เจอนิมิตหรือไปคิดนึกอะไรฟงแต่งเป็นธรรมะไปนะี่ก็มีนะก็หลงไปกับ กับนิมิตบ้างลงไปกับความคิดตัวเองบ้างก็มีนะก็มีหลายวิธีที่ปฏิบัติแล้วแบบอืมมัน ม, มีโอกาสเกิดแบบนั้นมันก็ชวนให้ลงไปก็มีนั้นอันนี้คือเพียนมากเกินไปหรือเพียนไม่พอดีนะมันก็ทําให้เพียนไปไดนะ้นั้นความเพียนที่ดีต้องมีสติคอยกํากับนี่แหละนะ คอยกำกับไวนะ้เนี่ะจะทําให้เราไม่หลงไปทําให้เราเออกลับมาได้นะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะแล้วก็คือแล้วก็ทําความเพียรแบบอย่าเสียดายร่างกายมากนะบางทีร่างกายมันก็มันก็ทําให้เราแบบห่วงมันมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะ <c oughs> ห่วงร่างกายมากเกินไปนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะแต่นหมายถึงว่าอือก็อย่าไปห่วงไปกลัวมันมากนะบางทีหลายคนภาวนานี่แบบกลัวอย่างนั่งนานๆนก็กลัวกลัวมันจะเป็นอมพึ่งอมาพลาดนะเดินก็เน็่เแก้ความเหนื่อยความล้านะจีก็ ถ้าทำความเพีจริงๆนะก็อย่าไปห่วงร่างกายมากแต่ก็คือเอาพอประมาณไม่ใช่ว่าฝืนจนกระทั่งมันมันไม่ไหวแล้วก็ยังไปฝืนมันต่อนะแต่ที่จริงมันก็แต่หลายคนอะภาวนาไม่ค่อยขึ้นเพราะใจใจเตาะใจเาะคือแบบน มันเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยอมแพ้มันแล้วมันง่วงนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วนะมันจะไม่สบายนิดหน่อยก็อไปพักก่อนแล้วเนะมันมันใจไม่ค่อยสู้นะใจสอคารวาดหลายคนก็ใจสะแต่หลายคนก็ใจสู้นะพระเองก็ที่จริงก็ไม่ต่างจากเราก็คนเหมือนกัน น, น, กนะเนาะเพียงแค่รูปแบบมันแตกต่างกันเ่นะ คนเหมือนกันนะแต่จะต่างกันจริงๆก็อยู่ที่ความเพียรเนี่ยแหล ะ, ะอยู่ที่ความเพียรความตั้งใจความรู้ธรรมที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้จากความเป็นคนนะก็จะได้กลายเป็นพระขึ้นมานในจิตในใจเนี่ยนะ ก, นะก็เราก็พึงระลึก อย่างบทธรรมะปาหังเนี่ยอยู่เสมอครับนะเป็นเครื่องเตือนใจของเราให้ให้เราได้ทำความเพียรแบบนะให้สมกับตอนการที่เราได้บวชนะแต่เป็นการทำความเพียรด้วยความต้องมีความมีสตินะความไม่ประมาทมากํากับนะบางคนนี้ใส่เจคอนะอก็มุ่งที่ประโยชน์ของตนก็ตามนะ มุ่งที่ประโยชน์ของผู้อื่นก็ตามหรือมุ่งที่ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เรามองว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยมันจะทำให้ขัดเ้าจิตใจนะให้เราบรรลุธรรมให้เราค้นจากความทุกข์นยะมุ่งที่ประโยชน์ตนก็ตามหรือมุ่งที่ประโยชน์ผู้อื่นนะอย่างจิตโพธิสัตว์นะมุ่งที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะ ให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์นะถ้าเรารู้ธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะไปเผยแผ่ไปแนะนำให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ได้นะเรือรก็มุ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะทั้งตัวของเราเองหรือทั้งของคนอื่นด้วยนะแต่ก็สิ่งสำคัญเหมือนกันคือต้องทำด้วยความไม่ประมาทนะคือมีสติคอยกำกับม่งั้นก็จะบางทีมุ่งแต่ประโยชน์ตนก็จะกลายเป็นเห็นแก่ตัวนะ รืมุ่งแต่ประโยชน์ผู้อื่นก็ไปมองแต่คนอื่นนะเนี่ยมันก็แบบลืมตัวนะไปคาดหวังคนอื่นมากเกินไปไปทำแต่ให้กับคนอื่นไม่ทำกับตัวเลยนะแล้วทำด้วยความประมาทนะขาดสติไปก็ต้องมีความไม่ประมาทความมีสตินะี่คอยกากับนะในการที่มุ่งเป้าในการทำประโยชน์ ให้กับตัวเราเองก็ดีหรือให้กับคนอื่นก็ดีนะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็ปฝากไว้ครับสองคู่